แถมถ้าดำเนินการไม่ดีอาจจะเป็นฝ่ายถูกเล่นงานเสอีกการให้อภัยจึงง่ายกว่าเป็นไหนๆการถือศีลก็เป็นเรื่องง่ายกว่าการทำผิดศีลเช่นถ้าจะฆ่าจะตีคนอื่นก็ต้องวางแผนเตรียมอาวุธตอนไปตีเขาก็อาจถูกเขาตีตายเสเองก็ได้ทำร้ายเขาแล้วก็ต้องหลบซ่อนจากเงื้อมมือของกฎหมายหรืออย่างจะไปตกปลาล่าสัตว์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 กลับรู้สึกว่าพอทนได้ไม่ลำบากเท่าไรเลยทุกกิราควมถามรู้สึกว่าการปฏิบัติธรรมมันยากครับเพราะเราต้องสู้กับความเคยชินบ้าง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 มีสติรักษาอยู่ที่จิตอย่างเดียวก็พอแล้วสุย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 หรือพระปราโมทปาโมโชในปัจจุบันบทความจากธรรมะใกล้ตัวฉบับที่สิบสี่อ่านโดยอนุสอนตรีโสภา